จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้กับพวกเราชาวพุทธชาวพุทธศาสนิกชนให้ได้ปฏิบัติให้ได้กระทำกันเพื่อประโยชน์สุขของตนเอง และประโยชน์สุขของผู้อื่นและของพระพุทธศาสนาที่จะตามมาต่อไปหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้ไว้นั้นมีอยู่สี่หน้าที่ด้วยกันหน้าที่ที่หนึ่งคือให้เราศึกษา พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าศึกษาธรรมหน้าที่ข้อที่สองหลังจากที่ได้ศึกษาธรรมแล้วก็ให้นําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิบัติธรรมเมื่อ ได้นําเอาไปปฏิบั ต, ดบ ต, บบติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างเขร่งครัดปฏิบัติด้วยความภาคเพียรพยายามอดทนก็จะได้สําเร็จหน้าที่ขั้นที่สามจะได้ทําหน้าที่ขั้นที่สามคือบรรลุธรรมบรรลุถึงผลที่เกิดจากการปฏิบัติ เรียกว่าบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมแล้วก็สามารถนำเอาธรรมไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อไปเรียกว่าเผยแผ่ธรรมเป็นขั้นที่สี่ของหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่าง แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่มีศรัทธาความเชื่อในความรู้ความสามารถในความฉลาดของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสุขแก่ผู้ที่ มีศักชามีศรัทธาความเชื่อผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรก็จะได้รับความสุขจากการปฏิบัติและกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ให้หมดสิ้นไปนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พวกเราจะมาปฏิบัติกันในวันนี้ขั้นที่หนึ่งเราต้องศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความรู้ที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้ กันพ่อแม่ของเราก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนตามสถานที่ศึกษาต่างๆก็ไม่รู้ผู้ที่จะรู้ก็คือพระพุทธเจ้าหรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้แก่พระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเองที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก หรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุทำขั้นต่างๆแล้วก็มีความสามารถที่จะเอาความรู้คือทำขั้นต่างๆนี้มาสั่งสอนพวกเราต่อไป เราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรู้สงเห็นที่ได้สรงเอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปและสร้างความสุขอันยิ่งใหญ่ให้ปรากฏอยู่ในใจ ไปอย่างถาวรเราจึงต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราจำเป็นต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเป็นสารณะที่พึ่งทางวิชาความรู้คำว่าสารณะนี่แปลว่าที่พึ่งเราต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพื่อให้เราได้วิชาความรู้ที่จะพาให้จิตใจของเรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆที่จะพาให้ใจของเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถ้าวรนความสุขที่จะอยู่กับใจของเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือ การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณาบุษทางสารนังกัจฉามิธรรมังสรนังกัจฉามิสังขังสรนังกัจฉามิเราจะยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราเราจะเชื่อแต่คําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น คำสั่งคำสอนของผู้อื่นถ้าขัดกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เราก็จะไม่เชื่อแต่เราก็จะไม่ลบหลู่ใครจะเชื่อเราก็ปล่อยให้เขาเชื่อไปแต่เราถ้ารู้ว่ามันไม่เป็นมันไม่ตรงกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่เชื่อ แต่เราจะไม่ลบหลู่เราก็จะให้เกียรติกับคาสั่งคำสอนของผู้อื่นคือถ้าเขาพูดเราก็ยินดีที่จะรับฟังส่วนฟังแล้วเราจะนำเอาไปปฏิบัติตามหรือไม่นั้นเป็นสิทธิของเราถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ตรงกับคำสั่งคำสอนเราก็จะไม่เชื่อเช่นคำสอนของนักบาทบางคนก็สอนว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างพวกเราขึ้นมาอันนี้พอเรามาศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะ หรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเนพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเนี่ยพวกเรามีกรรมเป็นเผ่าพันพวกเราเป็นมีกรรมเป็นผู้เป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คำสั่งสอนของนักบาดบางท่านบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเรามาและพระเจ้าเป็นผู้ส่งลูกของพระเจ้ามาถ่ายบาปของพวกเราเพื่อให้พวกเราได้ไปสวรรค์กันอันนี้พอศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็จะ รู้ว่าไม่ตรงกันถ้าเราเป็นพุทธจริงถ้าเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นครูอาจารย์จริงเราก็จะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเราจะไม่เชื่อคำสอนของผู้อื่นที่ไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อกฎแห่งกรรม เราจะเชื่อว่าเราเกิดมาดีหรือชั่วนั้นอยู่ที่การกระทําของเราที่เราได้ทําไว้ในอดีตนแล้วเมื่อทําแล้วก็ไม่มีใครมาล้างกรรมที่เราได้ทําไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม น, นี่คือความหมายของ การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสลาณะเป็นที่พึ่งเป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราถ้าเราไปพบกับคำสอนที่ขัดกับหลักธรรมเราก็ต้องปฏิเสธถ้าเราอยากจะได้ผลประโยชน์ที่แท้จริง คำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นความจริงที่จะให้ประโยชน์กับผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอนแต่คําสอนของผู้อื่นถ้าไม่ตรงกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ถือได้ว่าไม่ใช่เป็นคําสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงปฏิบัติไปแล้วทําไปแล้ว ก็จะไม่ได้ผลตามที่ได้ได้แสดงเอาไว้นี่คือหลักการของชาวพุทธเราเราจะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแม้แต่บุคคลที่เรารักเราเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆ ถ้าคำสั่งคำสอนของท่านขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องเชื่อเราก็จะไม่เชื่อเพราะว่าถ้าทำแล้วเชื่อแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็จะไม่ได้ผลตามที่เขาสอนไว้นั่นเองได้ก็ไม่ได้เป็นผลที่ เป็นผลที่มีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของพวกเราเพราะคำสอนของบางท่านก็จะมุ่งไปที่ประโยชน์สุขทางร่างกายไม่ได้มุ่งไปที่ประโยชน์สุขของจิตใจคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนที่มุ่งไปสู่ประโยชน์สุขของจิตใจ มุ่งไปที่การกำจัดความทุกข์ต่างๆของจิตใจไม่ได้มุ่งไปที่ประโยชน์สุขของร่างกายหรือการกำจัดความทุกข์ต่างๆของร่างกายคำสอนของผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคำสอนก็อาจจะ สอนขัดกับคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เช่นพ่อแม่บางคนอาจจะสอนลูกให้ทำบาปให้โกหกหลอกลวงให้ช่อโกงเพื่อที่จะได้มีรายได้มาจุนเจอือมาเลี้ยงดูร่างกายหรือสอนให้ลูกทำอาชีพ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนีย่ยเช่นทำการประมงหรือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วก็นำเอาไปฆ่าเพื่อที่จะได้มีรายได้เข้ามาจนเจือชีวิตของร่างกายตามหลักของทางโลกคือกฎหมายทางโลกก็ไม่ถือว่าเป็น ผิดเป็นข้อผิดไม่มีโทษการทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ไม่มีโทษแต่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการกระทำบาปแม้เพื่อที่จะเลี้ยงดูร่างกายของเราก็เป็นบาปมีผลเสียหายต่อจิตใจถึง แ, แม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกายก็ตาม แต่มันมีผลเสียหายติดตามมาที่จิตใจที่จิตใจจะต้องไปรับผลเสียหายนี้ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจของผู้ที่ทำบาปเพื่อรักษาชีวิตของร่างกายเพื่อเลี้ยงดูร่างกายนี้ เมื่อตายไปก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆนั่นเองนี่ทางโลกก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจเพราะทางโลกก็จะมุ่งไปที่ผลประโยชน์ทางร่างกายเป็นหลักเพราะหนึ่งไม่รู้จักเรื่องราวของจิตใจเพราะสองมองไม่เห็นจิตใจ เพราะสามคิดว่าจิตใจกับร่างกายเป็นส่วนเดียวกัน เ, ออเมื่อร่างกายตายไปแล้วใครล่ะจะไปเป็นผู้รับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไวออ้จึงอาจจะเห็นว่าการทำบุญทำบาปนี้ไม่มีผลแต่อย่างใดมีก็เฉพาะในขณะที่มีชีวิตอยู่ แล้วก็เป็นผลที่ไม่แน่นอนเสมอไปบางคนทำความดีแต่ร่างกายก็ไม่ได้รับลังวีรางวัลได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา mm hmm. บางคนทำบาปทำความชั่วก็ไม่ได้รับโทษจากการทำบาปทำาชั่วทางร่างกายแต่กลับได้ลังวีรางวัลได้เดบได้ดีดดก็มี yeah. จึงทำให้คนที่ ไม่ได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังก็จะมีมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบได้ถ้าไปมองผลของการทำบุญทำบาปหรือทำดีทำชั่วที่ร่างกายถ้าไปดูที่ร่างกายเป็นผู้รับผลของบุญหรือบาปของความดีหรือความชั่วก็จะอาจจะ ทำให้ไม่เชื่อทำให้มีความคิดที่คิดกันทั่วไปในขณะนี้ว่าทำดีไม่ได้ดีทำาชั่วได้ดีมีถมไปนี่หมายถึงผลทางร่างกายคือทางลาบยศจรสริญทางรูปเสียงเกล่นรดต่างๆคนทำบาปนี่ร่ำรวยกันรวยเร็วรวยมาก คนที่ทำไม่ทําบาปคนที่ซื่อสัตย์สุดจริตเนีกลับจะไม่รวยจะไม่รวยมากถ้ารวยก็รวยช้าเป็นใหญ่เป็นโตยากถ้าซื่อสัตย์สุดจริตเนีแต่ถ้าโกหกหลอกลวงเป็นใหญ่เป็นโตได้ง่าย ยิงสมัยนี้ระบบการคัดเลือกคนใหญ่คนโตก็อาศัยการพูดจาหลอกลวงกันนี้เป็นขั้นบันไดของการนำขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่หลอกลวงกันตั้งแต่วันหาเสียงเลือกตั้งหลอกลวงว่าจะทำนู่นทำนี่ให้กับประชาชนอย่างนู่นอย่างนี้แต่ใครๆทุกคนก็รู้ว่าทาเพื่อใครกันนะ ทำเพื่อตอนเองโดยแอบอ้างเอาประชาชนมาเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองแต่พอได้นับเลือกเข้าไปแล้วก็ไม่สนใจเรื่องความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนไปสนใจกับเรื่องผลประโยชน์ที่เพิ่งจะได้รับจากการได้รับตำแหน่ง อ, อันนี้มุ่งไปสู่การเป็นใหญ่เป็นโตขั้นต่อไป เมื่อเป็นสอสอแล้วทีนี้ก็กว้านหาสอสอมาเป็นพวกอา จ, จะต้องจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อที่จะได้ให้สอสอเลือกตนให้เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีขึ้นมาพอได้เป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีก็ทีนี้ก็คอยรับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นนายกเป็นรัฐมนตรี ประโยชน์ให้ประชาชนหรือเปล่าเวลาเซ็นชื่ออนุมัติโครงการอะไรโครงการหนึ่งผู้ที่จะต้องการให้อนุมัติก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะถ้าไม่จ่ายก็ไม่ได้พอจ่ายแล้วใครเป็นผู้ที่รับเงินใต้โต๊ะนี้ประชาชนได้รับหรือเปล่าตอนนั้นคําว่าประชาชนไม่รู้หายไปไหนมีแต่ ของมีแต่ตัวกูของกูอยู่ในใจนี่แหละคือการได้ดับได้ดิบได้ดีในทางโลกความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกทางร่างกายนี้ต้องทำบาปกันต้องช่อกงกันต้องหลอกลวงกันถึงจะได้ถ้าซื่อตรงไม่ชอ่อกงไม่หลอกลวง ทำไปก็ไม่มีใครเขาเชื่อคนก็แปะคนที่ชอบคนโกหกหลอกลวงคนที่พูดความเป็นจริงให้ฟังกับไม่เชื่อกันเพราะไม่ได้สร้างความฝันให้กับเขาคนชอบฝันกันชอบฝันเรื่องลมๆแล้แงๆฝันว่าถ้าเราเป็นนายกแล้วทุกคนจะรวยกันหมดจะทำให้ทุกคนรวยกันหมด ดีใจเลือกคนนี้ให้ไปเป็นนายกกันนี่คือเรื่องของทางโลกเป็นอย่างนี้ถ้าเขามาสั่งมาสอนให้เราทำตามเขาแทนแถวบอกว่าอยากจะเป็นสอสอก็ต้องโกหกหลอกลวงต้องซื้อเสียงต้องทำผิดกฎหมายทำบาป จะยินดีทำหรือไม่ถ้าศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะไม่กล้าทำบาปเพราะว่ารู้ว่าผลของบาปที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นอย่างไรไม่ได้เกิดขึ้นที่ทางร่างกายแต่จะไปเกิดขึ้นทางจิตใจจิตใจที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณ หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปเพราะจิตใจนี้แหละเป็นผู้กระทำบุญกระทำบาปโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเท่านั้นเครื่องมือนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำบาปเป็นผู้เป็นเครื่องมือของจิตใจ จิตใจร่างกายจึงไม่ได้ไปรับผลบุญผลบาปที่เกิดจากการกระทําของจิตใจจิตใจจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปรับผลบุญผลบาปตั้งแต่ตอนที่ทําบุญหรือทําบาปเลยตั้งแต่ตอนที่ร่างกายยังไม่ได้ตายไปผลของบุญของบาปที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ตอนที่ร่างกายยังไม่ตายเป็นอย่างไรก็ความรู้สึกสุขลึกทุกข์ในใจนี้เองเวลาทําบุญทําความดีแล้วจะเกิดความสุขใจสบายใจเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความภูมิใจขึ้นมาเวลาทําบาปแล้วก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาภายในใจ นี่แหละคือผลของบุญของบาปที่เกิดขึ้นถ้าไม่ได้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไปรอดูผลที่จะเกิดขึ้นที่ทางร่างกายทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสว่าเราทำความดีแล้วเราได้รางวัลหรือไม่ปีใหม่มีคนซื้อข้าวซื้อของซื้อกระชองกระเช้ามาให้เราหรือไม่ นเนดือนของเราขึ้นหรือไม่ตำแหน่งของเราขึ้นหรือไม่มีรางวัลมอบให้กับเราหรือไม่สันระเสรยกย่องเราหรือไม่เนี่ยนี่คือการมองดูผลของการทำความดีของเราเราจะไปมองที่ราบยศสรระเสรไปมองที่ ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิดนะเพราะบางทีทำความดีคนที่จะให้ความดีความชอบกับเราเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เพราะเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เขาชอบให้เราทำถึงแม้จะเป็นความดีแต่เป็นความดีที่ไม่เกิด ประโยชน์กับเขาเขาก็จะไม่อยากจะให้หลังวิรางวัลกับเราก็ได้นี่แหละจึงทําให้คนสับสนกันทําให้คนไม่เชื่อกฎแห่งกรรมไม่เชื่อคําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะไปมองผลที่ไม่ใช่เป็นผลของของกฎแห่งกรรมนั่นเองนะถ้าจะมองผลของกฎแห่งกรรมนี้ ต้องมองที่จิตใจจิตใจที่จะเป็นดวงวิญญาณต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าจิตใจทำบาปจิตใจก็จะไปรับผลในอบายเป็นดวงวิญญาณถ้าไม่มีร่างกายถ้ามีร่างกายก็เป็นร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้ามีไม่มีร่างกายก็จะเป็นดวงวิญญาณของเปรต ของอสุรกายของนรกนี่เป็นสิ่งที่คนในโลกนี้ไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้เห็นได้เพราะไม่มีเพราะไม่ได้ใช้ตาในมีตาในแต่ใช้ตาในไม่เป็นตาในก็คือตาตาของใจนี่เองตาของดวงวิญญาณมีแต่ใช้ตานอกคือใช้แต่ตาของร่างกาย ใช้ตาหูจมูกริ้นกายของร่างกายไว้รับความรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของร่างกายแต่ไม่ได้ใช้ตาในเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของของดวงวิญญาณของจิตวิญญาณจึงไม่รู้เรื่องของจิตวิญญาณว่าเป็นอย่างไรก็เลยทําให้อ ไม่กลัวบาปกันทำให้ไม่ชอบไม่อยากทำบุญกันเพราะทำบุญแล้วเห็นมีแต่เสียไม่มีได้อะไรทำบุญมีแต่เสียข้าวของเงินทองขึ้นมาไม่ได้ข้าวของเงินทองกลับคืนมามากกว่าเก่าแสดงว่าทำบุญแล้วขาดทุนไม่ได้กําไรสู้เอาเงินไปแทงหวยดีกว่า เวลาถู ก, กจะได้กําไรกันเยอะแยะถ้าถ้าขาดทุนก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเล่นการพนันเรื่องของการแทงหวยมีถูกและไม่ถูกแต่อย่างน้อยมีโอกาสที่จะถูกมีโอกาสที่จะกําไรได้แต่ถ้าเอาไปทําบุญแล้วมีแต่ขาดทุนเพียงอย่างเดียว ไม่มีกำไรไม่มีนางวันทดแทนกลับคืนมาให้เนถ้ามองไปที่เงินทองเป็นสิ่งตอบแทนทำบุญก็จะมีแต่การขาดทุนแล้วใครอยากจะไปทำบุญกันเมื่อขาดทุนก็ไม่ทำกันทำบาปก็ไม่มีโทษตามมา ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาชีพเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ฆ่าวัวฆ่าควายก็ไม่ผิดกฎหมายไม่มีใครจับไปลงโทษไม่ไปติดคุกติดตารางถ้าทำบาปที่มีโทษต้องเกิจทุกข์ติดตารางบางทีก็ซื้อทางได้ซื้อทางออกได้เวลาถูกจับก็จ่ายเงินได้จ่ายเงินเขาก็ปล่อยออกมา ปล่อยออกมาโดยว่าจับตัวผิดไปแค่นี้เขา ก, ออก็เขาก็ปล่อยให้ออกมาได้แล้ว น, นี่แหละจึงทําให้คนเราไม่เชื่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันไปเชื่อคําสั่งคําสอนของคนในโลกนี้ไปเชื่อคําพูดที่ว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีถมไป นี่คือเรื่องของการยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนีถ้าคําเชื่อคําสอนที่ขัดกับคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เราต้องไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดนีถ้าเป็นคําสอนที่เรายังไม่รู้ว่าขัดกับคําสั่งคําสอนหรือไม่เราก็ยังไม่ต้องไปเชื่อเรายังไม่ต้องไปปฏิเสธ เพราะคําสอนบางครั้งของผู้อื่นก็อาจจะตรงกับคําสอนของพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เราต้องนําเอาไปพิสูจน์ก่อนพิสูจน์ว่าเป็นไปตามที่เขาพูดหรือไม่แล้วไม่ขัดกับหลักธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์หรือไม่ถ้าไม่ขัดแล้วทําให้เกิดประโยชน์สุขก็ทําไปได้ เจามาแล้วสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้สามารถทําให้ใจมีความสุขขึ้นมาได้อันนี้ถ้าเราได้พิสูจน์แล้วก็เชื่อได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ห้ามไม่ให้เราไม่ห้ามไม่ให้เราไปเชื่อคําสอนของผู้อื่นแล้วก็ไม่ได้บังคับให้ต้องมาเชื่อคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสมอไป คำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องเอาไปพิสูจน์เหมือนกันเหมือนกับคำสอนของของผู้ของผู้อื่นก็ต้องเอาไปพิสูจน์ก่อนจึงต้องมีการพิสูจน์เป็นขั้นที่สองเราเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถึงแม้เราจะเชื่อแต่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้เอาไปพิสูจน์ก่อนให้เห็นกับตาของตนเอง ด้วยการปฏิบัติคําสอนต่างๆเช่นสอนให้ละการกระทําบาปทั้งปวงและอบายยะมุก เ, เพื่อที่จะทําให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทําบาปนี้ไม่ปรากฏขึ้นมาในใจก็ลองเอาไปลองปฏิบัติดูเคยโกโหก ก, กับไม่โกหกนี้ลองเปรียบเทียบดูว่าผลเป็นยังไงในจิตใจครับ เวลาโกหกแล้วจิตใจรู้สึกสบายหรือไม่สบายเวลาไม่พูดโกหกแล้วจิตใจรู้สึกสบายหรือไม่สบายเนีย่ยต้องนํามาไปปฏิบัติถึงจะรู้ผลของของคำสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ากําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้หรือไม่ สร้างความสุขที่ยังไม่มีอยู่ในใจของเราให้ปรากฏขึ้นมาได้หรือไม่จึงต้องมีขั้นที่สองของการทำหน้าที่ของพวกเราคือเราต้องปฏิบัติเอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติกันเพื่อไปพิสูจน์ว่าบาบัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้หรือไม่ สร้างความสุขต่างๆที่ยังไม่มีอยู่ในใจของเราให้เกิดขึ้นมาได้หรือไม่ต้องดูผลที่ใจนะอย่าไปมองผลที่ลาบยศสรรเสริญที่รูปเสียงกลิ่นรสนะถ้ามองตรงนั้นแล้วก็จะสับสนเพราะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ผลของการกระทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าะ ผลที่จะเกิดจากการทมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เกิดที่ในใจของเราและในจิตวิญญาณของเราเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วผลมันจะเกิดที่นั่นขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ดูที่ความสุขและความทุกข์ที่มีอยู่ในใจว่าความทุกข์ลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ความสุขในใจมีเพิ่มขึ้นมา มากขึ้นหรือไม่เนี่ยนี่แหละเป็นตัววัดผลของการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราบําบัดความทุกข์ด้วยการด้วยการละการกระทําบาปทั้งปวงด้วยการละการกระทําเสพอบายามุขทั้งหลายเพราะการทําบา เพราะการเสพอบายามุกนี้จะเป็นผู้กระตุ้นหรือผู้ดึงให้ไปกระทำบาปต่อไปจึงต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมเอออย่าไปเสพอบายามุกแล้วการจะทำบาปนี้ก็จะมีโอกาสน้อยลงถึงแม้จะไม่หมดสิน้นแต่อย่างน้อยโอกาสที่จะไปทำบาปเพราะอบายามุกนี้ก็จะไม่มีนี่คือ ข้อที่หนึ่งที่เราต้องมาพิสูจน์กันคือให้เราละการกระทำบาปแล้วก็ละอบายามุขเพื่อเราจะได้ลดการกระทำบาปลดช่องทางของการทำบาปให้น้อยลงไปแล้วสองให้เราสร้างความสุขด้วยการกระทำบุญต่างๆทำบุญชนิดต่างๆการทำบุญมีหลายรูปแบบด้วยกัน เป็นทานทั้งนั้นเรียกว่าทานคือแบ่งปันประโยชน์สุขที่เรามีให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีกันเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์สุขให้เขามีความสุขจากการเสียสละของเราแล้วเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่เป็นข้อที่สอง ของการที่เราจะต้องไปปฏิบัติไปพิสูจน์ว่าทําบุญแล้วมีความสุขใจหรือมีความทุกข์ใจแลข้อที่สามก็ให้เรามาชําระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่คอยจะสร้างความทุกข์ความไม่สบายใจให้กับเราอยู่เรื่อยๆความทุกข์นี้เกิดจากการกระทําบาปแล้วยังมีความทุกข์ที่เกิดจาก เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความอยากต่างๆอีกด้วยถ้าเราไม่ต้องการจะให้มีความทุกข์นอกจากการไม่ทําบาปไม่เสบบะบายยมุกแล้วเรายังต้องมาคอยกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานี้ให้มันหมดไปให้ได้แล้วใจของเราจะมีความสุขขึ้นมาตามลําดับ นี่คือขั้นตอนให้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราก็ทำอะไรกันออก็สอนสามข้อใหญ่ๆนี่ข้ อ, อที่หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงและการเสพอบายามุกทั้งหลายข้อสองให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมข้อสามให้ทำละใจให้สะอาดบริสุทธ คือกาจัดความโลภความโกรธความหลงกาจัดความอยากทั้งสามชนิดคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่ากามตันหาความอยากมีอยากเป็นเรียกว่าภาวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาเป็นเพียงความอยากสามอย่างนี้เท่านั้นเองความอยากอย่างอื่นนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ ปล่อยให้อยากได้เช่นอยากละบาปนี่อยากจะรักษาศีลอยากจะเลิกเสกประบายมกนี่อยากอย่างนี้ดีเป็นความอยากที่ไม่ต้องละอยากทำบุญนี่ก็ไม่ต้องละอยากปฏิบัติธรรมอยากไปฝึกนั่งสมาธิอยากจะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาขึ้นมาความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีที่ไม่ต้องไม่ต้องกำจัดะ ต้องส่งเสริมเสีย้วย้ํำไปถึงจะสามารถนำไปสู่การกระทำได้ถ้าเรายังไม่มีความอยากที่จะละบาปมันก็ยังทาให้เราเสียดายบาปอยู่แต่ถ้าเราหลังจากที่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเรารู้ว่าการกระทำบาปนี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของพวกเราเราก็อาจจะเกิดความอยากรักษาศีลขึ้นมาอยากจะละเว้นอบายามุขขึ้นมา เราต้องมีความอยากก่อนเราถึงจะสามารถทำอะไรได้อย่างวันนี้ญาติโยมจะมาที่นี่ได้ก็ต้องเกิดความอยากก่อนวันนี้อยากจะมาวัดกันอยากจะมาทำคุณตามประโยชน์ตามกำลังของแต่ละท่านบางท่านก็มาทำประโยชน์ด้วยการเอาเข้าวของเงินทองมาถวายวัดบางท่านก็มาช่วยทำความสะอาดห้องน้ำห้องท่า ทำซาความสะอาดลานวัดบางท่านก็นมาช่วยจัดเครื่องเสียงต่างๆเครื่องถ่ายทอดอุปกรณ์ต่างๆอันนี้ก็เป็นต้องมีความอยากเกิดขึ้นก่อนอยากจะทําบุญถึงจะสามารถสั่งให้จิตใจพาร่างกายมาทําบุญทําประโยชน์ได้ความอยากเหล่านี้เป็นความอยากที่ดีไม่ต้องกําจัดควรส่งเสริม ควรส่งเสริมให้มันมีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆพอวันไหนไม่มีความอยากต้องกระตุ้นมันนะเช่นวันอาทิตย์หน้าเกิดจะขี้เกียจขึ้นมาอยากจะนอนอยากจะไปทำอะไรอยากจะไปเที่ยวไปเล่นก็อาจจะต้องบังคับว่าอย่าไปเที่ยวไปเล่นเลยไม่ได้เกิดประโยชน์ถึงแม้ไม่มีโทษมันก็ไม่มีประโยชน์ ซื้อมาทำสิ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจดีกว่าต้องคอยกระตุ้นความอยากที่ดีนี้ต้องคอยกระตุ้นความอยากที่ไม่ดีต้องคอยระ ง, งับต้องคอยเบรกพออยากจะไปดื่มสุรายาวเมาไปเลี้ยงฉลองกันคืนนี้อันนี้ก็ควรที่จะเบรกว่าไปไปเสพอบายามุกแล้วเดี๋ยวมันจะติด ติดแล้วมันจะทำให้เราต้องเสพอยู่เรื่อยๆถ้าเสพ บ, บ่อยๆเสพมากๆเดี๋ยวเงินทองก็จะไม่พอใช้แล้วพอไม่มีเงินทองก็จะเดือดร้อนเพราะยังอยากเสพประบายยมุกอยู่ยังอยากออกเที่ยวยังอยากดื่มสุรายังอยากเล่นการพนันพอไม่ได้ทำสิ่งที่อยากใจก็จะงดหงิดนาคาญอยู่บ้านก็รู้สึกเหงาเศร้าส้อยว้า ว, วาเเ ก็อาจจะบังคับให้ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะได้ไปเสษบบายามุกเนี่ยใช่พอเสษบบายามุกแล้วเดี๋ยวพอเงินทองไม่พอใช้ก็จะบังคับให้ไปหาเงินโดยวิธีไม่ชอบเพราะไม่รู้จักวิธีหาเงินที่ชอบนั่นเองเพราะเอาเวลาไปเสษไปเที่ยวไม่เอาเวลาไปทำงานทำการ พอต้องงานต้องการเงินทางแบบง่ายๆแบบเร็วๆแบบมากๆนี่ก็ต้องใช้วิธีทำบาปช่อโกงหลอกลวงถึงจะได้เงินมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือขั้นตอนของการทำบาปอยู่ดีๆคนเรามันไม่ได้คิดอยากจะทำบาป ก, กันหรอกแต่พอมันไปเสพอบายามุขไปเสพ ไใช้เงินใช้ทองแบบฟุ่มเฟือยใช้เงินใช้ทองแบบไม่รู้จักประหยัดไม่รู้จักกำหนดไม่รู้จักปริมาณของเงินทองที่มีอยู่ไม่รู้ว่าถ้าใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ตามความอยากมันจะทำให้ต้องใช้อยู่เรื่อยๆและไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องหมดไปพอหมดแล้วความอยากใช้เงินทองมันไม่ได้หมดไปกับ เงินทองมันยังมีอยู่มันจะเป็นตัวที่คอยสร้างความไม่สบายอกไม่สบายใจให้ทําให้อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขทําให้ต้องดิน้นต้องหาเงินทองเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ต่อแล้วถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีทุจริตนั่นเองต้องไปทํำบาสนี่คือสิ่งที่เราต้องอทําความเข้าใจ บางทีฟังเฉยๆว่าไม่ทำบาปไม่เสบบะบายยมุกนี่มันยังมันยังมองไม่เห็นภาพว่าทำไมต้องไม่ทำบาปทำไมต้องไม่เสบบะบายยมุกต้องนึกถึงภาพขึ้นมาว่าเวลาเสบบะบายยมุกแล้วเป็นอย่างไรและเวลาไม่ได้เสบบะบายยมุกขึ้นมาจะเป็นอย่างไรอันนี้บางคนไม่คิดรอบข้อไม่คิดอย่างกว้างขวาง ที่แต่ขณะอยู่ขณะที่อยู่ใกล้ๆคือเห็นแต่ว่าเจ็บแล้วจะมีความสุขก็ไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาต่อไปเวลาที่ไม่สามารถที่จะเจ็บได้ว่าจะเกิอดอะไรขึ้นต่อจิตใจของตนเราต้องคิดถึงผลกระทบทั้งระยะใกล้และระยะไกล อย่ามองแต่ความสุขระยะใกล้ความสุขในขณะที่ได้เสพต้องมองว่าเสพแล้วมันจะติดนะเพราะว่ามันเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเสพวันนี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องเสพพรุ่งนี้ต่อเพราะที่เสพของวันนี้เดี๋ยวความสุขที่ได้ของวันนี้มันก็หมดไปหมดไปก็อยากจะได้ความสุขแบบที่ได้เสพจากเมื่อวานก็ต้องมาเสพใหม่ ก็ต้องคอยเติมคอยเสพยอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอบายามุขชนิดไหนก็ตามสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะเกียดตค้านถึงแม้จะให้ความสุขในขณะที่ทําแต่มันจะต้องคอยทําอยู่เรื่อยเมื่อคอยทําอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วมันก็จะไม่มีเงินทองที่จะเอามาทําได้เ แล้วตอนนั้นมันจะหาความสุขจากอบายามุขได้อย่างไรเมื่อหาไม่ได้ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าหาโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็ต้องหาโดยวิธีทุจริตเบื้องต้นก็อาจจะขายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองก่อนขายบ้านขายช่องขายที่ดินก่อนทอขายหมดแล้วทีนี้ไม่มีอะไรจะขายแล้วจะทำะํำยังไงไม่มีเงินเอามาเสพอบายามุขแล้ว ทีนี้ก็ต้องไปหาโดยวิธีช่อโกง น, นั่นเองด้วยการหลอกลวงด้วยทำมิจฉาชีพต่างๆแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะถูกทางบ้านเมืองจับไปลงโทษซึ่งบางทีอาจจะถูกจับก็ได้บางทีอาจจะไม่ถูกจับก็ได้ขณะไม่ถูกจับก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆนะไม่อยู่อย่างสุขสบาย เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินผ่านมาก็ตกใจนะนี่เป็นผลที่เกิดในขณะที่มีชีวิตอยู่จิตใจก็ไม่มีความสุขจิตใจก็ทุกข์แล้วตายไปก็ต้องไปรับผลบาปที่ได้ทำไว้เองนี่คือภาพต่างๆที่เราต้องนึกกันให้เห็นกันถึงจะเกิดฮีเรโอตาปะขึ้นมา การที่เราจะไม่ทําบาปได้นี้ท่านบอกว่าต้องมีฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความละอายในการกระทําบาปะโอตปะความกลัวผลของบาปที่จะตามมาการที่จะทําให้เกิดฮิริโอตปะได้ต้องเห็นผลที่เกิดจากการทําบาปพอเราทําบาปนี่พอถูกถูกจับติดคุกติดตารางนี่ เกียตรติยศชื่อเสียงที่เราเคยมีอยู่นี่ก็หายไปหมดแล้วเคยเป็นคนนับหน้าเป็นคนที่น่านับถือนับหน้าถือตาหน้าเคารพพอถูกจับไปลงโทษก็ไม่มีใครเขาจะให้ความเคารพนับถืออีกต่อไปนี่ต้องคิดถึงต้องมีความละอายว่าเราไม่เป็นคนดีแล้วพอเราทำบาปนี้ แม้เราจะมีชื่อดีแต่ใจเราไม่ดีแล้วตัวเราไม่ดีแล้วคนชื่อดีนี่ติดคุกเยอะแยะชื่อบุญชื่อดีชื่ออะไรนี่ทําไมต้องไปติดคุกติดคุกเพราะไปทําผิดกฎหมายไปทําบาปนั่นเองต้องนึกถึงผลของการที่การจะทําบาปที่จะตามมาแล้วมันจะทําให้เรามีความละอายละอาย ไม่ต้องล้าอายคนอื่นร้าอายตัวเราเองเนี่ยตัวเราเคยภูมิใจว่าเราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้พอเราทําบาปแล้วเรามองตัวเรามองหน้าเราได้ไหมว่าเรายังเป็นคนดีเหมือนที่เราคิดหรือไม่เนี่คือความละอายบาปจะทําให้เราไม่กล้าหรือไม่อยากจะทําบาปนะแล้วอดตะปาคือผลของบาปที่จะตามมาะ ผนของบาปก็มองไปที่ใจเป็นหลักที่ร่างกายก็อาจจะไม่แน่นอนอาจจะทำให้เราไม่กลัวได้เพราะคนบางคนทำบาปแล้วไม่ติดคุกทำผิดกฎหมายแล้วไม่ติดคุกก็มีเพราะเขารู้เรื่องของกฎหมายเขารู้ช่องทางที่จะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการไปรับโทษจากกฎหมายได้มีวิธีต่างๆ ที่จะซื้อใจคนได้ซื้อใจของคนที่จะมาตัดสินซื้อใจของคนที่จะมาจับเราไปลงโทษให้เขามองไปอีกทางหนึ่งได้ให้เขามองเห็นผิดเป็นถูกไปได้แต่เรื่องของกฎแห่งกรรมนี่ซื้อไม่ได้นี่แต่นี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องรอหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วหรือถ้าดูที่จิตใจก็บางทีก็อาจจะ มองไม่เห็นถ้าไม่มาดูที่ใจว่าใจมีความทุกข์มีความกังวลมีความไม่สบายใจต่างๆเกิดจากผลจากการกระทําบาปก็ได้ก็อาจจะไม่เห็นภาพไม่เห็นผลของการกระทําบาปก็จะไม่กลัวบาปได้ น, นี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาศึกษาให้เห็นภาพของ ของการกระทำบาปเห็นภาพของการเสพอบายามุขว่าจะนำเราไปสู่ในสภาพอย่างไรต่อไปถ้าเห็นแล้วก็อาจจะทำให้เราไม่อยากจะทำบาปขึ้นมาไม่อยากจะเสพอบายามุขขึ้นมาถ้ากำลังเสพอยู่ยังทำอยู่ก็อาจจะพยายามที่จะลดเลืด หยุดมันถ้ายังหยุดไม่ได้ก็อย่างน้อยก็พยายามลดมันให้น้อยลงไปต้องมีจุดเริ่มต้นในการนับถอยหลังมันถึงจะมันจะถึงถึงจะถอยหลังได้ถ้าไม่มีการเริ่มต้นตรงจุดใดจุดหนึ่งมันก็จะเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆใครเสพมันก็จะเสพต่อไปใครทำบาปก็จะทำต่อไป แต่ถ้าเราบอกว่าตอนนี้เราขอลดลงเศษพ่ายน้อยลงทําบาปให้น้อยลงก่อนเมื่อยังหยุดไม่ได้ก็ลดให้มันน้อยลงไปก่อนพอเราลดได้แล้วเราก็จะค่อยๆลดมันไปทีละเล็กทีละน้อยทีละตัวสองตัวเดี๋ยวต่อไปเราก็เลิกได้เลิกเศษอบาเยมุกได้เลิกกระทาบาปได้ แล้วเราก็จะปลอดภัยจากโทษของการกระทำบาปนะฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องนำอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติเราเห็นผลแล้วก็ถือว่าเราได้บรรลุในระดับหนึ่งแล้วเรามีความมั่นใจว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงแล้วไม่มี ไม่มีการหลอกลวงคำสอนของทาา่าเจ้าสอนอย่างไรสอนว่าทำอย่างนี้จะได้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆต่อไปเราก็เอาไปสอนผู้อื่นได้ในระดับที่เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้เห็นผลเช่นในระดับของการกระทาบาปแล้วขั้นที่สองเราก็ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเราไม่มีความทุกข์ใจ แต่ใจเราก็อาจจะไม่มีความสุขใจใจอาจจะเฉื่ยชืดเนีไม่มีทุกข์ใจจากการกระทําบาปแต่ไม่มีความสุขใจถ้าอยากจะมีความสุขใจพระทศเจ้าก็บอกว่าให้ทําบุญแทนที่จะหาความสุขจากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายซึ่งเป็นเหมือนเป็นอบายมุขนี่เองก็ควรที่จะมาหาความสุข จากการทำบุญดีกว่าเพราะการทำบุญนี้เป็นความสุขที่ไม่มีโทษตามมาไม่ติดเหมือนกับการทำหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่เที่ยวแล้วก็จะติดซื้อข้าวซื้อของอะไรมาแล้วก็จะติดแต่ถ้าทำบุญแล้วไม่ติดเวลาไม่มีเงินทองทำบุญก็ไม่รู้สึกหดหยิดลำคาญใจ แต่เวลาไม่มีเงินทองนี้เวลาไม่ได้เที่ยวจะรู้สึกหงุดหงิดํำคาญใจรู้สึกเอไม่มีความสุขมีความทุกข์เนี่ยให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขถ้าเรามีเงินทองที่จะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสให้เปลี่ยนมาซื้อความสุขจากการทำบุญทําทานเราจะได้รับความสุขที่ดีกว่าที่มี ความยั่งยืนกว่าเช่นเราทาบุญผ่านไปเดือนปีหนึ่งปีหนึ่งเวลาเราเลกเรกถึงบุญที่เราทำมันก็ยังทำให้เราเกิดกู้ความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาอยู่ไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวปีที่แล้วพอนึกถึงความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวปีที่แล้วก็ทำให้มีความอยากจะไปเที่ยวขึ้นใหม่แล้วถ้าไม่ได้ไปเที่ยวก็ แทนที่จะมีความสุขก็กลับมีความทุกข์ใจขึ้นมาเนี่ยนี่คือผลที่ต่างกันถ้าอยากจะมีความสุขนะมีเงินทองไปใช้เงินทองซื้อความสุขด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปซื้อของอะไรต่างๆให้เปลี่ยนมาหาซื้อความสุขจากการทำบุญทาทานดีกว่าทำบุญทาทานนอกจากมีความสุขในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นสเบียงหรือเป็นความสุขที่เราเอาติดตัวติดไปกับใจได้ใจนี่แหละเวลาที่ไม่มีร่างกายจะมีความสุขได้ก็ต้องอาศัยบุญนี้เองนะถ้าไม่ทําบุญเนยเวลาจิตใจไปจิตใจก็จะไปแบบขอทานไม่มีความสุขติดตัวไปไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไป ถ้ามีบุญติดตัวไปใจก็จะไปอย่างมีความสุขดวงเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขดวงวิญญาณที่มีความสุขก็เป็นพวกเทพทั้งหลายนี่เองในพวกเทพนี้เป็นเทพได้อย่างไรก็เพราะว่าละการกระทําบาปตอนที่เป็นมนุษย์อยู่ไม่ทําบาปแล้วก็ทําบุญเพื่อให้ความสุขกับใจพอตายไปบาปไม่มี ไม่มีกําลังที่จะดึงใจให้ไปเกิดในอบายได้มีแต่บุญที่จะดึงใจให้ไปเกิดในสวรรค์ไปสุคติไปเป็นเทพระดับต่างๆมีหกระดับด้วยกันขึ้นอยู่กับการทําบุญว่าทํามากทําน้อยทําน้อยก็ได้ความสุขน้อยทํามากก็ได้ความสุขมากนี่คือผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเราสามารถพิสูจน์ได้บางส่วนเรายังอาจจะไม่พิสูจน์ได้ว่าตายไปแล้วเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยเรารู้ว่าในปัจจุบันในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี่เราเห็นความสุขเกิดขึ้นทันทีเวลาที่เราทำบุญแล้วเราลองเปรียบเทียบกับความสุขที่เราได้จากการเฉด ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราจะเห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนว่าความสุขได้จากการทำบุญนี้มันอิ่มกว่ามันหนักแน่นกว่ามันยั่งยืนกว่ามันติดอยู่กับใจเราไปได้นานกว่าความสุขที่เราได้จากการไปซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพเป็นความสุขแบบควันไฟเป็นความสุขแบบยาเสพติด เสพแล้วก็ติดเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเห็นผลเห็นผลก็จะเรียกว่าบรรลุธรรมเราสามารถบรรลุธรรมได้สองขั้นละขั้นที่หนึ่งก็ถ้าเราไม่ทําบาปเราก็จะเห็นผลที่เกิดจากการไม่ทําบาปกับผลที่เกิดจากการทําบาปว่าแตกต่างกันอย่างไรน แล้วเราก็มาดูผลที่เกิดจากการทาบุญกับการไม่ได้ทาบุญเราก็จะเห็นผลที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าเราได้บรรลุทำขั้นที่สองก็ได้ขั้นละบาปแล้วก็ขั้นทําบุญนี่เราก็ต้องมาพิสูจน์ทำขั้นที่สามคือให้เรามากาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากที่ไม่ดีคือความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นซึ่งจะพิสูจน์อันนี้ได้จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติธรรมขั้นสูงที่เรียกว่าขั้นจิตตภาวนาคือเราจะต้องมาเจริญส ม, มถาภาวนาทําใจให้สงบเมื่อใจสงบมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเราก็สามารถที่จะเอาใจนี้ไปเจริญปัญญา เพื่อไปหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆที่มาคอยสร้างความไม่สบายใจสร้างความทุกข์ใจให้กับเราได้นี่อันนี้ต้องใช้ความพยายามมากกว่าการละการกระทําบาปมากกว่าการทําบุญเพราะจะต้องใช้เวลามากด้วยการภาวนานี้จําเป็นจะต้องภาวนาอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผล คือภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยการภาวนาตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ก็เริ่มต้นที่การเจริญสตินี่พอตื่นขึ้นมาก็ต้องเจริญสติคอยควบคุมความคิดคอยหยุดความคิดด้วยการใช้กรรมฐานเป็นเครื่องมือกรรมฐานที่เรารู้จักได้ยินได้ฟังกันที่เราสามารถใช้กันได้อย่างง่ายดายก็คือคําบริกรรมพุทธโธนี่ ให้เราพอตื่นขึ้นมาก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธคอยหยุดความคิดคอยควบ ค, ค, ความคิดไว้แล้วพอเรามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทโธต่อถ้านั่งเฉยๆแล้วใจก็จะนิ่งสงบได้อย่างเต็มที่ถ้าใจยังไม่นั่งถ้านั่งกายยังไม่นั่งอยู่เฉยๆยังเคลื่อนไหวอยู่ใจก็ยังต้องคอยควบคุมคอยสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว ใจก็จะเน่งอย่างเต็มที่ไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจสงบนิ่งเต็มที่เป็นอุเบกขาแล้วเกิดความสุขใจขึ้นมาจาเป็นจะต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็ควบคุมความคิดให้หยุดคิดให้ได้พอหยุดคิดแล้วใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดอุเบกขาไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงอยู่ภายในใจนะครับ พยายามสร้างใจแบบนี้ให้เป็นแบบนี้ไปได้ทั้งวันทั้งคืนก่อนนะพอใจมีความสงบมีอุเบกขาได้ตลอดเวลาทั้งขณะที่อยู่ในสมาธิหรือออกจากสมาธิแล้วตอนนั้นก็ไปขั้นปัญญาต่อไปได้ไปสอนใจวิธีที่จะหยุดความโลภความอยากต่างๆด้วยการให้พิจารณาตายลักในสิ่งที่อยากได้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขแบบอันนี้จังไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องหมดไปพอหมดไปมันก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาเวลาสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับใจใจก็จะต้องทุกข์แล้วก็เราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อมีสุขแล้วเดี๋ยวก็ต้องลายเป็นทุกข์ไปเพราะมันมีความเสื่อมตามมานั่นเองให้ใช้ไตรลักษณ์เป็นเครื่องมือของปัญญาทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ใช้ไตรลักษณ์พิจารณาในสิ่งที่เราอยากได้พอพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไปห้ามมันไม่ได้เราก็จะหยุดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งนั้นได้เราก็จะเลิกความอยากได้ ต่อไปเราก็ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจใจที่ไม่มีความอยากก็จะสงบไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องเข้าไปในสมาธิก็ได้เพราะไม่มีตัวมาคอยสร้างความไม่สงบนั้นเองสาเหตุที่ใจของพวกเรานี้ไม่สงบกันก็เพราะความโลภความอยากต่างๆนี่เอง ทุกวันที่เราคิดนี่คิดเรื่องอะไรก็คิดเรื่องอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่กันทั้งนั้นมันจึงทําให้เราไม่เคยมีความสงบไม่มีความสุขพอเรามาฝึกวิธีทําให้มันสงบขั้นตอนก็ให้มันสงบด้วยสติซึ่งเป็นความสงบแบบชั่วคราวไปก่อนให้เห็นคุณค่าของการไม่มีความโลภความอยากว่าเป็นอย่างไร แล้วพอเราทำได้แล้วขั้นที่สองพอเกิดความโลภความอยากขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญาคือตายลักมาหยุดมันได้พอเราหยุดได้แล้วต่อไปไม่มีความโลภความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดใจก็ไม่มีความอยากได้อะไรจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ให้ความสุขสู้ให้กับสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบไม่ได้ ความสุขที่ได้จากการไม่มีความอยากไม่ได้เมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็ไม่ต้องการอะไรต่อไปแล้วใจของเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากการที่จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราต้องการจะกลับมาหาอีกต่อไปนั่นเองก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกลับมาเกิดมามีร่างกายกันก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย อย่างที่เราเป็นกันอยู่ในขณะนี้อ น, นี่คือผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติขั้นต้นศึกษาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้ผลก็เรียกว่าบรรลุ ธ, ธรรมพอมีธรรมแล้วทีนี้ก็สอนคนอื่นได้เผยแผ่ธรรมได้การเผยแผ่ธรรมนี่แหละเป็นการจะทําประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นและเป็นการ รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ต่อไปได้พุทธศาสนาของพวกเรานี้อยู่ได้ด้วยธรรมะคือการบรรลุ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายถ้าไม่มีการบรรลุ ธ, ธรรมแล้วต่อไปศาสนา mm. ก็จะกลายเป็นเปลือกคือมีแต่ฐาวนวระวัถตถุต่างๆแต่จะไม่มีธรรมะที่จะเอามากำจัดความทุกข์ต่างๆในใจได้ ผู้คนที่เคยมีศรัท ธ, ธาก็จะเสื่อมศรัท ธ, ธาลงไปเพราะว่าเมื่อเข้าห า, าศาสนาแล้วไม่สามารถใช้าศาสนามาบำบัดความทุกข์ได้ก็ไม่รู้จะเข้าหาทำไมทุกวันนี้ที่เราเข้าห า, าศาสนากันเพราะว่าเรามีความทุกข์กันเราต้องการความสุขแบบถาวรกันและเราก็มีผู้คอยสั่งคอยสอนเร า, าศาสนาจึงยังเป็นที่ที่พึ่งของ ผู้ที่มีความทุกข์มีความอยากจะได้ความสุขอย่างถาวรได้แต่ถ้าต่อไปไม่มีผู้บรรลุธรรมมาสอนแล้วก็จะไม่มีใครอยากจะเข้ามาหาศาสนาเข้ามาก็จะไม่ได้สิ่งที่อยากได้หรือเข้ามาก็มาหาสิ่งที่ศาสนาไม่ได้ให้คือความหลอกลวงเช่นความหลงคิดว่าถ้าไปหาพระพุทธรูปแล้วอยากจะได้อะไรก็ขอได้อย่างนี้เป็นต้นครับ ก็จะไม่ได้เป็นศาสนาที่แท้จริงอีกต่อไปแต่ถ้ายังมีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุ ธ, ธรรมมีการเอาธรรมที่บรรลุนี้มาเผยแผ่ <c oughs> ก็จะทําให้ยังมีศาสนาที่เป็นที่พึ่งของจิตใจของสัตว์โลกได้ต่อไปการทําหน้าที่ของเราจรึงได้ประโยชน์สองส่วนด้วยกัน ประโยชน์ของตนเองคือทำให้ตนเองได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วก็ประโยชน์ที่สองก็คือมาช่วยให้คนอื่นที่ยังทุกข์ให้หายทุกข์ที่ยังไม่มีความสุขให้มีความสุขแล้วก็จะทำให้พระพุทธศาสนานี้ยังอยู่กับโลกนี้ต่อไปได้อีกนี่แหละคือหน้าที่ที่พระเจ้าส่งมอบให้กับพวกเรา ที่ได้นำมามาฝากท่านในวันนี้คือหนึ่งให้ศึกษาพระธรรมสองให้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนถามจนให้บรรลุธรรมสี่เมื่อบรรลุธรรมแล้วก็ให้เอาไปเผยแผ่ธรรมต่อไปก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยาถาวาริวาหาปุราปะเรปุระเณติสาขังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมห um ังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุระตูสังกปายันโทปะนาราโสยาถามณีโชติ อาราโสยะธาสพิตโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีทีคายุโกภวา พิวาธะนสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาัช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากเลิกแล้วก็จะไม่มีเวลาที่จะถามหรือตอบเพราะต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องทำต่องั้นจะสะดวกช่วงนี้ใครอยากจะถามอะไรถามได้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็าได้ วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะทาง f a c e b o o สามร y อยยี่ส2บสอง้อยห้าสิบเกวิดีโอออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังบนเขาหนึ่งร้อยรวมทั้งหมดเจ็ดรอยห้าท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้เลยมีคำถามจากผู้ฝากถามเจ้าค่ะมีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ทักหนูว่าติดอยู่คือติดคำอธิษฐานติดพุทธภูมิเลยปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าให้ไปถอนแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าหนูติดอะไรหนูถอนคำอธิษฐานหลายรอบแต่ว่าไม่ค่อยได้ผลการยานามิตรเลยแนะนำว่าให้ปรึกษาขอคำแนะนำและขอบารมีหลวงพ่อช่วยเหลือคะ่ะก่อนที่เราจะรู้ว่าเราติดอะไรจะถอนอย่างไร เราก็ต้องรู้ก่อนว่าการติดของเรามันติดในลักษณะไหนเราก็ต้องดูการกระทําของเราที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเราทําอะไรบ้างเช่นถ้าเราทําแต่ทานอย่างเดียวเมตตาช่วยเหลือคนอื่นไม่ไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแสดงว่าเราติดทานติดความเมตตาเราก็ต้อง เริ่มทําอย่างอื่นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทํานะเช่นทําได้ทานก็ทํา ไ, า, ไาได้แต่ศิเมตาก็เมตตาได้แต่ต้องแบ่งเวลาเวลาที่ให้เมตตากับคนอื่นแล้วก็ต้องให้มีความเมตตากับตนเองการเมตากับตนเองก็คือต้องทําประโยชน์ให้กับตนเองบ้างไม่ใช่หมู่แต่ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นเพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของเราก็คือการภาวนานี่ น, นี่แหละเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับเราเห็นเราก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาทําประโยชน์ให้กับคนอื่นแล้วก็แบ่งเวลามาทําประโยชน์ให้กับเรามาถือศีลแปดมาภาวนาบ้างมาเปีกวเวกอยู่คนเดียวบ้างไม่ใช่มืวแต่อยู่ อยู่ช่ว ย, คน น, นวยนคนนั้นช่วยงานคนนั้นช่วยงานคนนี้มีงานที่ไหนก็ไปเปิดโรงทานไปทําอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าติดทานเนีย่ยเราต้องรู้ว่าการทําบุญทําทานเป็นขั้นเป็นขั้นบันไดทําบุญทําทานเพื่อให้เรามีจิตเมตตาจะได้รักษาศีลได้นะ เมื่อรักษาศีลได้ก็ต้องไปปีกวิเวกต่อไปได้นะเหมือนเรียนหนังสืออย่าไปติดอยู่ที่อนุบาลอนุบาลมันสบายเนี่ยไม่ต้องทําการบ้านไม่ต้องอะไรไปโรงเรียนก็ไปเล่นไปกินไปนอนกี่ปีกี่ชาติก็ติดอยู่ขั้นอนุบาล น, นั้นฮะไม่ยอมขึ้นชั้นปนหนึ่งปอสองต่อไปฮ อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราทาบุญทําทานแล้วมีความเมตตาแล้วเราก็ต้องมารักษาศีลรักษาศีลห้าได้ก็ต้องรักษาศีลแปดต่อรักษาศีลแปดได้ก็ไปปีกวิเวกได้ไปฝึกภาวนาได้ไปเจริญสติไปนั่งสมาธิได้เหตนีอขอให้เรามีแผนการของการปฏิบัติมันก็ถอนไปเองที่มันติดอยู่เพราะว่าเราไม่มีแผนการปฏิบัติ S <S <an> เราจะขอเรียนแค่ชั้นอนุบาลไปเรื่อยๆ <S an> เราต้องมีแผนว่าเราต้องการจบปริญญาเ <S an> มื่อเราจบอนุบาลแล้วเราก็ต้องขึ้นปหนึ่ง <S an> จบปแล้วก็ต้องไปสู่ม <S an> จบมแล้วก็ไปสู่อุดมศึกษาสู่ระดับปริญญาตรีโทเอกต่อไป <S an> ต้องมีแผนการวางไว้แผนการปฏิบัติของเรา ถ้าปล่อยให้ปฏิบัติตามความชอบใจความพอใจมันก็จะติดอยู่ที่ทาทานเนี่ยบางคนกี่ปีกี่ชาติก็เห็นมาเปิดลงทานอยู่เรื่อยก็ถินที่ไหนผ้าป่าที่ไหนเดี๋ยวลงทานโผล่ขึ้นมาละก็ทามันอยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ยอมไปไหนสักทีเห็นถ้าอยากจะก้าวหน้าทางธรรมนี่ต้องมีแผนการมีตาราง เหมือนกับการเรียนหนังสือมีตารางปีหนึ่งก็อยู่อนุบาลปีสองก็ขึ้นประถมไปตามเวลาของมันคำถามต่อไปจากคุณรัชพลค่ะกราบพระอาจารย์ครับผมนั่งสมาธิสู้กับเวทนามาประมาณหนึ่งเดือนครับผ่านได้บ้างไม่ได้บ้างผ่านได้ก็แค่เบาลงอยู่กันได้ไม่หายวับโดยปกติจะนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมง เข้าสมาธิได้ปกติและเวทนาจะเริ่มมาตอนประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเมื่อวานผมก็นั่งปกติเวทนาก็มาปกติก็พุโทโธสู้สลับสอนใจให้เห็นแต่จิตไม่สนใจและสอนใจว่าไม่ใช่เรารู้เฉยเฉยก็สู้กันไปสักพัก เวทนาเดี๋ยวก็เบาเดี๋ยวก็แรงผมก็นึกถึงธรรมะจากเล่มเปิดใจเปิดธรรมทําให้เห็นจัภาวะตอนนี้เหมือนเรากําลังนั่งบนกองไฟข้างบนคือจิตที่เบาเย็นสบายแต่นั่งทับบนกองไฟปวดร้อนอยู่ผมจึงกําหนดไปที่เวทนาว่าให้เผาให้หมดเลยเผาร่างกายนี้ไปด้วยเอาให้เหลือแต่จิตกายไม่ใช่เราเราคือจิตสักพักหนึ่งกองไฟก็ค่อยๆเล็กลง มอดลงมันเหมือนเวลาเราเผากระดาษจนกองไฟเหลือเป็นแค่กองขี้เท่าเห็นแต่จิตที่ใหญ่เด่นชัดขึ้นตามลำดับจนสบายๆเหมือนเข้าสมาธิใหม่ๆเวทนาหายไปเกือบหมดเหลือแค่กองเท่าบริเวณก้นนิดหน่อยครับและเมื่อเช้าก็เป็นเหมือนอย่างที่กล่าวมาแต่กองขี้เท่ามาอยู่ที่ขาขวาแทน คำถามครับการที่เวทนานี้เบาลงจนหายไปนี้เป็นกำลังจากสมาธิหรือปัญญาครับขอให้พระอาจารย์ชี้แนะแนวทางปฏิบัติทางปัญญาต่อไปเพื่อความก้าวหน้าครับมันจะเป็นสมาธิหรือเป็นปัญญาก็ไม่ต้องไปสนใจขอให้มันเป็นวิธีที่เราสามารถที่จะปฏิบัติกับเวทนาได้ก็ใช้ได้ พอให้เราสามารถทำใจของเราแยกใจของเราให้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางเวทนาความจริงมันก็เป็นปัญญานะปัญญากับสมาธิมันต้องไปร่วมกันถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญาสมาธิอย่างเดียวมันก็ยังจะ <c oughs> ยากไม่ได้สำเร็จปัญญาอย่างเดียวมันก็ไม่มีกำลัง คหามจริงมันก็เป็นทั้งสองอย่างทั้งปัญญาทั้งสมาธิเท่าถึงเรียกว่าเป็นภาวนาไมยะปัญญาคะคำถามต่อไปจากคุณ <c oughs> สุรศักดิ์ค่ะ <c oughs> ขอถามคำถามหลวงพ่อครับแม่ผมเสียได้หนึ่งปีจิตยังคงคิดถึงเป็นห่วงท่านอยากให้กลับมาเหมือนเดิมทำไมชีวิตที่เป็นอยู่นี้มีอะไรเป็นแกนจานบ้างครับ ยิ่งนานวันพบแต่ความสูญเสียตั้งแต่ตายยายลงป้านะมาตามลําดับก็เป็นเรื่องของโลกนี้ไงเป็นโลกที่ได้แล้วก็เสียเป็นของมาคู่กันถึงจะบอกว่ามาตัวเปล่าเปล่าแล้วเดี๋ยวก็ไปตัวเปล่าเปล่าเวลาเรามาเราก็ไม่ได้มากับใครเราก็มาได้พ่อได้แม่ในโลกนี้ได้พี่ได้น้องได้ญาติได้เพื่อนในโลกนี้ เดี๋ยวถึงเวลาเราไปเราก็เอาไม่เอาใครไปกับเราเราก็ไปตัวเปล่าๆบางทีเขาก็ไปก่อนเราแต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องไปตัวเปล่าๆทิ้งพวกที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เขาอยู่ของเขาต่อไปแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเหมือนเราทุกคนไปกันหมดไม่มีใครอยู่ในโลกนี้ไปได้ตลอดคำถามต่อไปจากคุณฝนดาวค่ะ ขอถามว่าหวังพระนิพพานจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถึงก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญานะต้องเข้าให้ได้ต้องมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิที่สงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิมีปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์ตลอดเวลา <c oughs> ก็สามารถเข้านิพพานได้คำถามต่อไปจากอาจารย์รบค่ะ ปฏิบัติอย่างไรจึงจะหายกลัวความเจ็บความตายครับจิตไม่ยอมรับเลยครับก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมือให้เผชิญให้อยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายถ้าไม่มีสติใจมันจะหนีพอเจอความเจ็บมันจะหนีเจอความตายมันจะหนีแต่ถ้ามีสติเราเบรกมันได้พอมันจะหนีเราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไว้ให้มันอยู่กับความเจ็บไป เวลาเจอความตายก็พูดโทพูดโธไปอย่างนี้พอต่อไปเรารู้ว่าความเจ็บความตายไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราตัวที่เป็นอันตรายต่อจิตใจก็คือตัวความกลัวนี่เองที่เราได้ใช้สติหยุดมันต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บกลัวความตายคำถามต่อไปจากคุณดิศยาค่ะ ที่ผ่านมาฝันว่าญาติที่เสียไปแล้วมาบอกเลขและออกมาตรงทุกครั้งที่ฝันแต่ยังไม่เคยซื้อเพราะยังไม่สบายใจกับคําว่าอบายามุกการที่เราไปซื้อลอตเตอรี่คือการทําให้สิ่งท่าไม่บริสุทธิ์หรือไม่ครับ อ, อ๋อยังหบบอบายามุกนี้ยังไม่ได้เป็นตัวศีลยังไม่ได้เป็นการทําให้บาปแต่อาจจะทําให้บาปต่อไปได้ถ้าเกิด ไปเล่นอาบายามุกและเงินทองหมดไม่พอใช้ไม่พอเล่นก็อาจจะต้องไปขโมยตอนนั้นน่ะเึงจะผิดศีลคำถามจากผู้ฝากถามค่ะมีคำถามเรื่องนรกสวรรค์ค่ะคนที่นับถือศาสนาอื่นเมื่อตายไปเขาจะไปนรกสวรรค์เหมือนคนที่นับถือหรือเชื่อในศาสนาพุทธไหมเจ้าค่ะกฏทหงกรรมนี้ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นใครทั้งนั้น นับถือศาสนาไหนไม่นับถือศาสนาไหนเป็นชาติไหนเป็นคนชาติไหนไม่สําคัญเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สําคัญถ้าทำบาปแล้วก็ต้องไปไปอบายทำบุญก็ไปสวรรค์เพราะนี่คือธรรมชาติของดวงวิญญาณของคนทุกชาติชั้นวรรณะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า นับถือศาสนาไหนเป็นคนชาติไหนเป็นจีนเป็นฝรั่งหรือเป็นไทยอันนี้เป็นเรื่องของร่างกายเรื่องของจิตใจนี่เหมือนกันหมดทุกคนเป็นดวงจิตดวงใจดวงจิ ต, ตวิญญาณที่เมื่อทำบาปแล้วก็ผลบาปก็จะปรากฏขึ้นในใจทำบุญแล้วผลบุญก็ปรากฏขึ้นในใจทันที คำถามจากผู้ฝักถามเจ้าคะ่ะเป็นทุกข์เหลือเกินเวลาลูกป่วยลูกไม่สบายลูกร้องไห้จะทําเช่นไรให้หายจากทุกนี้ได้หรือทําให้ความทุกข์น้อยลงบ้างคะความทุกข์ความไม่สบายใจของเราก็เกิดจากความอยากของเรานั่นเองเวลาเราอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์ไม่สบายใจเห็นเราถ้าต้องการไม่ให้เราทุกข์ไม่ให้เราไม่สบายใจ เรามาหยุดความอยากกันความอยากก็หยุดได้สองวิธีด้วยการวิธีชั่วคราวกับวิธีถาวรเริ่มต้นก็ใช้วิธีชั่วคราวเพราะมันง่ายเพียงแต่ให้มีคําบริกรรมพุทโธอยู่ในใจเวลาไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธไปแล้เดี๋ยวความอยากที่ทําให้ไม่สบายใจมันก็จะหยุดพอมันหยุดคือเราจะเลิมมันไง เราทุกข์ไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวเราก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจก็จะหายไปและพอเราหยุดเรากลับมาคิดถึงเรื่องเก่าอีกมันก็ทำให้เราไม่สบายใจขึ้นมาใหม่ได้ถ้าเราอยากจะให้มันหายไปอย่างท้าวรขั้นต่อไปเราก็ต้องหัดใช้ปัญญาสอนใจว่า เรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจนี้มันเป็นเรื่องของตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ได้ล้วเขาอยากจะเป็นอะไรเขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเราต้องเลิอกอยากให้เขาเป็นอย่างนั้น เ, <อา>เป็นอย่างนี้นะถ้าเราเลิกได้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปนะ ทีนี้จะคิดถึงเขากี่ครั้งกี่คนก็ไม่ทุกแล้วเพราะเราไม่ไปมีความอยากกับเขาแล้วเ น, นี่ยเป็นวิธีที่ถาวรคือปัญญาต้องเห็นเรื่องที่ทําให้เราทุกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคําถามต่อไปจากคุณพัทรานิจเจ้าค่ะมียญาชอบสวดมนต์ไหว้พระยาวๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างน้อยทุกวันเวลานั่งสมาธิจะชอบ จะชอบเห็นอะไรต่างๆภาพคนสัตว์เข้าใจว่าคือนิมิตแต่ช่วงหลังเวลาหลับตาสวดจั ก, กรพรรดิหนึ่งร้อยแปดจบคนสวดเองจะเห็นสิ่งต่างๆมานั่งสวดด้วยในห้องพระเต็มไปหมดทั้งคนปกติคนเหมือนสมัยโบราณตัวใหญ่สูงและที่ดูเป็นคนแต่คล้ายสัตว์แต่คิดว่าคิดไปเองก็นั่งหลับตาสวดต่อแต่พอลืมตามา เห็นญาติอีกคนที่นั่งสวดด้วยกันจ้องมองหน้าอยู่ลืมตามาสองสาครั้งก็เห็นจ้องอยู่อย่างนั้นจึงถามว่ามองอะไรญาติอีกอีกคนหนึ่งบอกว่าทําไมเสียงเปลี่ยนไปแปลกๆเหมือนเสียงผู้ชายจึงกลัวขึ้นมาและบางครั้งขณะสวดอยู่ก็พูดคุยกับคนข้างในที่เห็นออกเสียงดังออกมา จนคนข้างนอกได้ยินด้วยกับเรียนถามว่าเกิดอะไรขึ้นและจะมีวิธีปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะเพราะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะการสวดนี้ไม่ได้สวดแบบมีสติสวดแล้วก็ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องต่างๆด้วยควบคู่กันไปต้องสวดอยู่กับการสวดอย่างเดียวอย่าปล่อยให้ใจไปกับไปคิดเรื่องอื่นถ้าอยู่กับบทสวดมนต์เพลงอย่างเดียวเราจะไม่มีอาการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมา ถ้าสวดไปแล้วก็คิดไปด้วยควบคู่กันมันก็เลยสร้างภาพหลอนสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาหลอกเราเห็นเวลาสวดมนต์ต้องให้มีสติอยู่กับบทสวดมนต์เพียงอย่างเดียวใจใาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปสนใจอย่าตามไปคิดอย่าไปคุยกับใจบางทีคุยไปคุยกับใจไปด้วยสวดไปด้วยมันก็เลยทำให้มีเรื่องอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมามากมาย เน้นถ้าสวดอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นหรือถึงมีไม่ไปสนใจเดียวเรื่องอื่นมันก็หายไปเองจะเหลือแต่เรื่องสวดมนต์เพียงอย่างเดียวแล้วจะนําใจไปสู่ความว่างความเย็นความสงบต่อไปคําถามต่อไปจากคุณสุรศักดิ์ค่ะอยากรู้การวางจิตให้ได้สมกับเกิดมาบนโลกนี้จังเลยครับขอคําชี้แนะด้วยครับอเราอยากจะวางจิตแบบไหนล่ะ ก็ต้องไปศึกษาเหตุที่จะทำให้เราได้จิตแบบนั้นเนี่ยถามแบบนี้มันถามแบบครอบจากกวานไม่รู้จะตอบอยังไงเนีวางจิตแบบไหนล่ะอยากให้จิตสงบก็ให้มีสติพุโทโธพุโทโธไปอยากให้จิตปล่อยวางก็ต้องมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เน่หมดแล้วเลยออนดีคำถามมันถามไม่ชัดเจนไม่รู้จะตอบอยังไง ก็เลยต้องตอบแบบครอบจักรวาลกลับไปมีใครอยากจะถามอะไรไหมตอนนี้ถามได้นะเพราะเดี๋ยวถ้าปิดประชุมแล้วก็ก็จะของดถามเพราะเดี๋ยวต้องมีภารกิจอย่างอื่นต้องถามต้องเก็บข้าวเก็บของอะไรอเดี๋ยวคนนั้นคนนี้ยังต้องเข้ามาถวายข้าวของอีกเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ได้ เดี๋ยวก็เอาไมค์เข้ามาข้างในหน่อยมาพูดกับไมโครโฟนมั้ยจะได้เสียงได้ไม่ดมังพอดังไม่พอดังไม่พอหนูขอถามหลวงพ่อสิค่ะกรณีที่สมมุรณหนูนั่งสมาธิลงไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเหมือนว่างเปล่าแล้วเหมือนแบบมันวูบหายไปอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันวูบหายไปอย่างเงี้ยอาการอย่างนี้คือ คือหลับหรือเปล่าเจ้าคะมันก็หายแบบสองอย่างแบบหลับกับแบบไม่หลับถ้าหายแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ฟ้าดินไม่รู้อะไรเลยก็หลับถ้าหลับแบบรู้ว่าตอนนี้จิตสงบจิตไม่คิดปรุงแต่งแต่ตัวรู้ยังรู้อยู่อันนี้ก็หลับแบบสมากู้แบบสมาธิมีสองแบบแบบกู้แบบรู้กับกู้แบบไม่รู้เรื่องกู้แบบไม่รู้เรื่องก็หลับ อูแบบรู้เรื่องว่าอ๋อจิตเมื่อกี้วุ่นวายจิตวุ่นเมื่อกี้คิดปรุงแต่งแล้วนี้จิตหยุดคิดแล้วจิตเน่งสงบจิตสบายอย่างนี้เรียกว่าสมาธิเท่านั้นเลยหนูสงสัยแค่ข้อนี้ยคะ่ะอ่าโอเคได้ถามแล้วจะได้หมดปัญหาไปยังมีเข้ามาใหม่แล้วเป่ะมีเข้ามาเจ้าคะ่ะคําถามต่อไปจากคุณฝน คนที่เขาบอกว่าเขามีสัมผัสที่หกเขาสามารถน้อมจิตเห็นคนนั้นคนนี้ที่เขาอยากเห็นมีแสงออกจากตัวบ้างเห็นมีเสียงพญานาคบ้างเห็นคนนั้นใส่ชฎาบ้างแล้วแต่คนนั้นเขาปฏิบัติได้ขั้นใดมีความเป็นจริงเป็นไปได้ไหมครับกราบสาธุครับก็เราต้องฟังหูไว้หูและ่ะถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ว่าเขาพูดจริงและไม่จริงถ้าเราไปเชื่อเดี๋ยวเกิดเขาพูดไม่จริงแล้วเราก็จะถูกเขาหลอก เหตุนั้นเราพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องไปเชื่อแต่ไม่ต้องไปปฏิเสธเอคือไม่ต้องไปลบหลู่เขาว่าโอ้คุณพูดไม่จริงอย่างงู้นอย่างนี้เมื่อเราไม่รู้จริงๆว่าเขาพูดจริงแล้วไม่จริงเราก็สักแต่ว่าไปฝักแต่รับรู้ไปแล้วเดี๋ยวขอให้เราไปพิสูจน์ดูเผอเรานั่งแล้วเป็นแบบเขาได้เราก็จะรู้ว่าเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าถ้าเป็นก็าจะาเออน่าจะเป็นจริงนะเพราะมันเกิดขึ้นกับเราได้ พระพุทธเจ้าบอกท่านฆ่ากิเลสได้เราลองไป ป, ปฏิบัติดูถ้าเราฆ่ากิเลสได้เราก็บอกอ๋อพระพุทธเจ้านี่พูดเรื่องจริงแล้วท่านฆ่าได้เราก็ฆ่าได้อย่างนี้ถึงว่าให้เชื่อให้ไปพิสูจน์ก่อนถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็ให้ฟังหูไว้หูก่อนคำถามต่อไปจากคุณจูนค่ะกับเรียนถามค่ะ พระธาตุที่เสด็จมาเองถ้าเราปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกวันวันละหลายหนทำว่าเช้าวัดเย็นไม่จำเป็นต้องสวดมนต์บทเฉพาะพระธาตุไหมคะ อ, อ๋อสวดไม่สวดไม่เกี่ยวท่านจะเสด็จมาไม่เสด็จก็เรื่องของท่าน แล้วการปฏิบัติของเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ท่านจะเสด็จมาหรือไม่เสด็จมาเราปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้มีความทุกข์ทำใจให้มีความสุขเหตุนพธาตุ จ, จะมาหรือไม่มาก็ไม่เป็นปัญหาเลยไม่ต้องไปสนใจคาถามต่อไปจากคุณพาสิริเจ้าค่ะกราบนามัสการเจ้าค่ะใช้ชีวิตประจำวันตามปกติพอเลิกงานก็สวดมนต์สาสิบนาที ยืนเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสงบบ้างไม่สงบบ้างแบบนี้จะมีอันนี้สองบ้างไหมคะก็มีตรงที่เหมือนกับการปลูกต้นไม้การปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ผลยังไม่เกิดคือปลูกต้นไม้วันนี้ต้นไม้ยังไม่ออกดอกออกผลทันทีแต่ถ้าไม่ปลูกเลยก็ไม่มีวันที่จะมีดอกผลจากต้นไม้ได้ เหตุนการฝึกหัดปฏิบัติในเบื้องต้นก็เป็นการเหมือนเป็นการปลูกต้นของผลคือของสมาธิของปัญญาที่จะต้องใช้เวลาปลูกไปเรื่อยๆดูแลเลี้ยงดูรักษาต้นไม้ให้มันจเจริญตอบโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะออกดอกออกผลตามมาต่อไปคําำถามต่อไปจากคุณจูนค่ะถ้าวันหนึ่งเราปฏิบัติธรรมเดินนั่งหลายรอบ จำเป็นต้องอุทิศแผ่บุญทุกครั้งหรือทำแค่ครั้งเดียวต่อวันคะอ๋อไม่ต้องทำเลยเพราะบุญยังไม่เกิดเนถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้ให้ไปถวายทานทำบุญทำทานอันนั้นเป็นบุญแบบบุญแบบฟาสต์ฟู้ดสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยไปแมคโดนัลสั่งปุ๊บเขาสดหยิบมาให้เลยถ้าบุญอย่างอื่นนี้ต้องไปนั่งที่ร้านอาหารนั่งคอยให้เชฟเขาไปปรุงไปแต่ง กว่าจะเสร็จออกมาเองบางทีครึ่งชั่วโมงฉะนั้นบุญที่เราปฏิบัติจากการนั่งภาวนานี้ยังไม่เกิดเป็นการปลูกต้นบุญอยู่ถ้าอยากจะอุทิศบุญนี้ไปเอาบุญแบบอาหารจานด่วนสั่งปุ๊บได้ปั๊บเลยสั่งไปถึงแมกบอกต้องการกี่อันเขาหยิบใส่ถุงให้ทันทีเลย น, นี้ก็เหมือนกันพอถวายทานปุ๊บก็ได้บุญทันทีอุทิศได้ทันทีเลยคำถามต่อไปจากคุณฝนดาวค่ะยุคนี้จะมีคนบรรลุธรรมน้อยมากจริงไหมเจ้าคะก็ไม่มีใครทำเถิตติมันไปรู้ได้ไงคำถามต่อไปจากคุณธรรมชาติค่ะทำผิดประชิกตอนเป็นสามเณรจะแก้ไขยอย่างไรครับและจะ แก่ปกไหมครับขอคําชี้แนะครับพระอาจารย์เนนไม่เป็นปาราชิกเนนนี้ถือศีลสิบแต่นั้นเองไม่ได้ถือศีลพระทําบาปก็ถือว่าเพียงแต่เป็นผิดศีลสิบก็ครอบปานาติบาเท่านั้นเองก็ไม่ต้องแก้ไม่ต้องอะไรเพียงแต่รู้แล้วก็อย่าไปทํามันเพราะต่อไปถ้าไปเป็นพระแล้วไปทําปาราชิกขึ้นมา้็จะจะต้องสึกจากการเป็นพระแล้วกลับไปบวชไม่ได้ตลอดชีวิตเนี่ย คำถามต่อไปจากคุณนรันค่ะเวลานั่งแล้วยังคิดวุ่นวายเราจะรวมจิตแบบไหนครับก็ให้พยายามสู้กับมันด้วยพุโทโธพุโทโธไปบริการพุโทโธหรือสวดมนต์ไปอย่าไปสนใจกับความคิดคำถามต่อไปจากคุณสุมาลีค่ะกราบนมัสการถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิเกิดอาการร้อนบ้างเย็นบ้างเป็นเพราะอะไรเจ้าคะและควรปฏิบัติแบบไหนเจ้าคะ อเป็นเรื่องธรรมดาที่เป็นผลข้างเคียงจากการปฏิบัติซึ่งมีอาการแปล ก, ปล ก, ปลกตๆต่างๆเยอะแยะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ขันตรงนั้นขันตรงนี้บางคนก็อยากจะเกินน้ำลายบางคนก็ม่วงนอนบางคนก็อะไรมีเยอะแยะไปไม่ต้องไปสนใจขอให้เราสนใจอยู่ที่สติตัวเดียวถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะค่อยหายไปเอง คำถามต่อไปจากคุณต้นกล้าเจ้าคะ่ะเวลานอนจะไม่มีสติถ้าตายจะไปตามบุญกรรมแต่เวลาจะตายจริงๆเราต้องฝึกสติมามากขนาดไหนจึงจะบังคับให้จิตมีสติเวลาตายได้คะก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะจะสามารถบังคับจิตไม่ให้ไปอบายได้คำถามต่อไปจากคุณขันห้าขอถามแทนน้องสาวครับ น้องสาวสงสัยและกลัวไม่รู้จะถามใครและพระอาจารย์องค์ใดน้องสาวแอบฝึกนั่งสมาธิมาสักระยะหนึ่งแอบฟังธรรมะจากหลวงพ่อปราโมทที่พูดแล้วนั่งเกิดจิตรวมเห็นกายของตัวเองนั่งอยู่แล้วตกใจกลัวตายครับจะปฏิบั ต, ติต่อไปอย่างไรดีครับกลัวตายเลยนั่งอยู่แล้วกลัวตายเลยเจ้าค่ะ อ๋อกลัวตายนั่งไม่นั่งก็กลัวตายเนี่ยคนเราทุกคนเกิดมากลัวตายทั้งนั้นเพียงแต่ไม่คิดถึงความตายมันก็เลยไม่กลัวกันพอมีโอกาสได้คิดถึงความตายมันก็กลัวกันดังนั้นไม่ต้องไปสนใจเป่เรื่องธรรมดาความกลัวตายวิธีที่จะบรรเทาความกลัวตายได้ก็ให้เรามีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออก อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เรากลัวตายเดี๋ยวความกลัวตายก็จะหายไปชั่วคราวถ้าอยากจะหายหายไปอย่างถาวรก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายกันทุกคนแต่ไม่ต้องกลัวเพราะร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นนายของร่างกายร่างกายเป็นคนรับใช้เราท่านั้นเองต่อไปเราก็จะไม่กลัวตาย อาคำถามสุดท้ายนะเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณวิชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับมีพี่ที่รู้จักเป็นอมรพฤกขึ่งตัวแต่ไม่ทําบุญไม่ตักบาสจะเตือนเขาอย่างไรดีครับอย่ถามใหม่นะสมาธิอะไรครึ่งตัวไม่เข้าใจเป็นอมรพฤกขึ่งตัวเจ้าค่ะอแล้วไงไม่ทําบุญตักบาสเจ้าค่ะไม่ทาบุญตักบาแล้วทําอะไรจะเตือนเขาอย่างไรเจ้าค่ะเขาไม่ทําอะไรเลยเลยแนะนำลองถามใหม่สิไม่เข้าใจคําถาม มีพี่ที่รู้จักเป็นอมภพึ่งครึ่งตัวไม่ไ ม, ไม่ทําไม่ทําบุญตักบาตรจะเตือนเขาอย่างไรครับก็เรื่องของเขาไปห้ามเขาไปังครับได้ขเขาได้ไงเขาไม่ทําก็ไม่ทําถ้าบอกก็ได้บอกทําบุญตักบาตรก็ดีแต่ไม่ทําบุญตักบาตร ท, ทาบุญวิธีอื่นก็ได้เอบริจาคเงินผ่านทางมือถือก็ได้ถ้าเป็นอมภพ ให้มูลนิธิให้โลภวัดให้โรงเรียนให้อะไรที่ไหนก็ได้บุญเหมือนกันไม่จําเป็นแล้ว่าจะต้องไปนั่งรอพระมาบิณฑบาตแล้วตักบาตเป็นบุญแทนกันได้เนีบอกเขาว่าทําบุญแล้วจะมีความสุขแล้วบุญจะเป็นสเสบียงพาเข้าไปสวรรค์ต่อไปได้เอาแล้วเนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงนําเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ